เท่าที่เห็นก็เห็นพวกเราก็ฝ่ายทำกันเยอะ <c oughs> ทานมื้อเช้าก็เยอะนะแก็เห็นชอบนั่นกันศึกษาทำนั่งปฏิบัติทำกันอืมจริงๆพื้นฐานก็มีอยู่แล้วอืมพื้นฐานมีแล้วทําำมันต่อเนื่องทําให้มากอืมทแล้วก็เช็คดูผลถึงของการทําอย่าวปติดแตรูปแบบเม <c oughs> <c oughs> ื่อเราปฏิบัติ ดูผลเรื่องกันปฏิบัติมันอยู่กับโลกยากมั้อยู่ที่ทํางานยากมั้งอยู่ที่สาสณะยากมอยู่ที่ไหนก็อยู่กับคนนั่นแหละอืมมันทุกเกิดที่ไหนที่นี่นี่ยอืมข้าเฝ้าดูตรงนั้นแหละนั่นเข้าวัดวัดดูมันทุกมากหรือทุกน้อยอืมเอาคําสอนพระเจ้ามาเคี่ยวอืมเคี่ยวมันจะให้มันอ อย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยเคมีในตารางธาตุถ้าจะรักษาสติราภาพมันก็จะต้องรู้จักให้แล้วก็รู้จักรับบวกมากมันก็ผิดปกติลบมากก็ผิดปกติถ้ามันพอดีมันก็เป็นปกติเป็นปกติเป็นศีนเป็นธรรมเนในใจความรู้สึกความรู้สึ ก, สกปัญญบัตรธรรม อย่าพยายามเรียกร้องให้คนอื่นให้ค่าตัวเองอืมหัดที่จะสร้างค่าให้ตัวเองอืมหัดเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอื่นอย่าพยายามเรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจตัวเองเป็นแบบนั้นอืคาร์บอนที่จะเป็นเพชรเลยมมันไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนแปลงแรงกดทับไม่ได้เปลี่ยนแปลงการเวลา มันเปลี่ยนโครงสร้างของมันเองมันจึงว่าเป็นเท็จได้อืมือนกัน้นเลยออริยะกับปุถุชนต้นทุนเดียวกันคือจิตนี่แหละจิตที่จะผ่านแรงกดทับแรงกดดันของกิเลสตัณหาอุปาทานอผ่านแรงเสียดทานของสันสวนนินทาสุขทุกข์ผ่านได้กับเป็นอริยะอืผ่านไม่ได้กับเกิดตายเกิดตายอ่ะะ คาร์บอนทานได้ก็เป็นเท็จทานไม่ได well, al. right. ้ก็ไว้ห right. ุงข้าวอย่งเกงกับกาไฟอืมใส้ดินสออืคาร์บอนเหมือนกันแต่โครงสร้างไม่เหมือนกันเหมือนกันจิตเหมือนกันแต่โครงสร้างไม่เหมือนกันโครงสร้างของมุมมองโครงสร้างของความคิดไม่เหมือนกันือเป็นได้แค่นั้นหันมันี่อดิเดนี่เห็นกันเย่งเย่งอยู่พยายามเรียกร้องพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม แต่พระเจ้าสอนเลยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมุมมองตัวเองความคิดตัวเองอถ้าเปลี่ยนแปลงได้เราก็มีศักยภาพในตัวเองอจะมีสถานภาพที่ดีฐานะทางครอบครัวที่ดีจากการกระทำของเราเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดีไม่ใช่จะไปเปลี่ยนแปลงสราพสิ่งให้ได้ดังใจเรา มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพุทธเจ้ายังเปลี่ยนแปลงคนอินเดียไม่ได้หมดจะมีขีดจํากัดอยู่เว น, นยัยสัตว์สัตว์ที่พอจะปรดได้อยู่ที่ไหนก็ตามไปปลดปรดไม่ได้ก็อุเบกขาว้างเฉยเมตตาเกินขอบเขตก็เป็นเหตุแห่งทุกข์บางทีใจเรายังบริหารจัดการไม่ได้หดังใจอะบริหารจัดการได้ดังใจก็เป็นนราหันต์หมดแล้วมั้งเนี่ยเอาหนิยายเลยกับใจคนอื่น ลูกเรายังไม่ได้หลั่งใจเราอมาจากแหล่งยีนพันลู ก, กรรมของเราเรายังไม่ได้หลั่งใจพ่อแม่พ่อแม่บางทียังไม่ได้หลั่งใจเราก็ามาจากแหล่งยีนเดียวกันเพราะปฏิสนธิวิญญาณอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกรรมบังคับให้รักชอบในสิ่งนั้นๆ น, นะเต้องมาเข้าใจในจุดนี้เข้าใจแต่ธรรมะคือความพอดีพอดีกัเพศภาวะสถานะการณเทวสารน้อมเข้ามา ไปเรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้าตามว่าตามว่าอรู้กับประมวลหาบทสรุปแล้วก็มาประยุกตใช้กับตัวเองให้พอดีทุกที่ทุกสถานกิเลสไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้อยู่ในป่าในเขาไม่อยู่ในใจเรานี่ไปที่ไหนก็ใจไปด้วยใจไปไหนกิเลสก็ไปด้วยกิเลสไปไหนก็ทุกที่นั่นะทุกที่ใจนี่แหละคนตายไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยเนี่ยมันดูตรงนี้ตลอดเข้าวัดตลอดอืมอ่า ฟังเสียงร่ำล้องของหัวใจดูสิมันเด็ดดิ้นไปไหนอนาคต ร, รักชันนะฟังทำรรเอาคำสอนพระเจ้ญญามา่เที่ยมภาวนาควบคุมให้พอดีปฏิบัติธรรมนะนะทุกที่ทุกสถานจริงๆแล้วก็พูดตลอดทุกทไปทุกที่เพราะธรรมะไม่มีเรื่องใหม่เรื่องเก่า แต่คุณก็อยากจะฟังแต่เรื่องใหม่มันไม่มีอะไรใหม่ไฟร้อนน้ําแข็งเย็นมันเป็นเช่นนี้ไม่ว่าคุณจะเชื่อห ร, รือไม่เชือ่อออมันมีอะไรให ม, ม่นออกจากคุณวางได้ทุกสรรพสิ่งมันถึงจะทำมีสภ า, าวะใหม่เกิดขึ้นคือไม่สําคัญมันหมายกับสรรพสิ่งก็นั่นแหละสภ า, าวะที่ว่าใหม่นอกนั้นเก่าทั้งนั้นแหละไม่ยึดเรื่องนี้ก็ไปยึดเรื่องนั้นแหะไม่ติดเรื่องนี้ก็ไปติดเรื่องนั้นไม่ติดลักก็ติดชั่งแหะมันจะไปไหน มที่ใดกิเลสภาวนาออืบริหารจัดการความรู้สึกให้มันจเนจริญจิตเจริญนก็รู้อะไรควรไม่ควรอออืรู้ที่จะบริหารจัดการตัวเองให้อยู่ร่วมกับสรรพสิ่งให้มันได้มันเป็นแบบนี้ไม่ว่าเราจะมาเกิดหรือไม่มาเกิด เป็นแบบนี้คนสัตว์สิ่งของเป็นแบบนี้ตายไปเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ไม่มาเกิดเลยก็จะเป็นแบบนี้ที่ทำงานเราไม่ใช่ที่อยู่พระอรหันต์ผัวเราเมียเราลูกเราไม่ใช่พระอรหันต์อยู่ตามถนนหนทางไม่ใช่พระอรหันต์คนมีกิเลสทั้งนั้นที่สำคัญเราก็มีกิเลสทําไงจะอยู่ร่วมได้ล่ะเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าไม่อยากอยู่ร่วมอย่ามาเกิด ถ้าจะไม่มาเกิดเกิดสลายพันธะให้ได้ความหลงในใจความสำคัญมั่นหมยนี่คือเรานี่คือของของเร า, ามันมีเรามันจึงมีของเราถ้าไม่มีเรามันจะมีของเราหรือไนงะแล้วอะไรเป็นเราี่รูปขันนำขันนี่ันมาดูนี่ า, าดูลสิ่งที่รู้นีน่เป็นมันเป็นงานวิจัยของพระพุทธเจ้า เป็นงานวิจัยของพระอรหันต์ไม่ใช่งานวิจัยของเรารู้หรือเปล่าประมวลหาบทสรุปแล้วมันเริ่มทําโปรเจกต์ของตัวเองทํางานวิจัยของตัวเองนั่งดูสิพุโทโธแล้วมันจะอยู่กี่คำเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแล้วดึงมาฝืนเรา อ, อาืเดี๋ยวไม่รักแต่ก็ชังงสักน้อยนึงกังวงลฝืนเนั่งนั่นนั่นๆอย่าขยักอย่าพลิบอย่าดิน้น อระพุทธเจ้าให้มานั่งเพื่อเช็คสิ่งที่เรารู้เป็นสัญญาหรือปัญญามันไม่สงบนั่นเข้าเดี๋ยวก็เป็นเหน็บเจ็บปวดอืทุกข์รุมเล้าแต่มันก็ดีนั่นแหละเป็นเหน็บเจ็บปวดออืมันจะได้พิจารณาได้แต่ถ้ามันง่วงเหงาห่านวนมันพิจารณาไม่ได้นั่นแหละคนเดียวเข้าระวังนะเป็นเหน็บเจ็บปวดแต่พิจารณาสิสติปัญฐาเสียมาใช้ตอนนี้จะไปใช้ตอนไหนล่ะ อท่านให้นั่งหไหนนั่งดูอะไรถ้าไม่นั่งดูทุกข์เนี่ยมันนี้เห็นทุกข์มันจะไปหาสมุทัยตรงไหนอืมีคิดหาสมุทัยอยู่ในมรรคยังไงไม่อยู่ในมรรคจะไปนินโรธแบบไหนเหรอมันต้องแก้ที่ความรู้สึกเนี่ไงความรู้สึกร่างกายคือพื้นที่สะท้อนปัญหาเพื่อจิตวิเคราะห์แล้วแก้ไขตัวมันเองเนี่ยแก้ไขจิตคือธาตุรู้รู้อยู่ไหนเนี่ย หันมันน้อมเข้ามาเนี่ตอนแรกก็อยู่กับพุทธโธนี่แหละไม่น้ํานอย่าแวบไปดึงมาอย่าแวบไปดึงมาออ่อนจากคิดอ่อนจใจนี่อ่อนจากคิดกับง่วงอ่าทางแก้คือเราจะง่วงแล้วลืมตาเนะี่อย่าหลับตาอย่าสะพงก์ลืมตาจัดบทพุทธโธพุทธโธไปฝืนโล่แต่อย่าพลิกอย่าดิน้นนานเข้าไม่ได้พลิกไม่ไดิด้นไม่ขยับย เ, น เ, นเบดี๋ยวก็เป็นเน็บเจ็บปวดเป็นเน็ดเจ็บปวด ยิ่งเจ็บ ม, มากๆปวด ม, มากๆความง่วงมันจะหายไปหายใจมันยังไม่อยากหายใจแรงเลยนั่งสักสามชั่วโมงอยากขยับเราไปจะรู้อืมว่ามันเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราแต่ที่รู้มาตามตำรา ธ, ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ตามเป็นจริงสักสามชั่วโมงดูเลยนะ่ะมันเป็นขาเราหรือเปล่าล่ะอืมเป็นหลังเราหรือเปล่าหรอ แต่มันสงบมันจะไม่มีสภาวะนี้อืแต่มันไม่สงบมันก็จะมีสภาวะนี้แหละเนี่ยแล้วก็ผลิตปัญญาขึ้นมาแก้เองทีนี้พราะคุณจะต้องบรรลุธรรมโดยปัญญาของคุณนี่คือปัจจตังของคุณนี่คือสันที่ติโกของคุณเนี่ยนี่แหละทุกข์ละนี่คือลหลงเลยนะแล้วก็มาพิจารณามันเป็นผลจากการเกิดนี่ มันเกิดมาพ้นหลงหลงอะไรถ้ามีหลงรูปขันนำขั น, นว่าเป็นเราเป็นของของเราปวดขาเนี่ว่าเป็นขาเราแต่ในทฤษฎีมันไม่ใช่เราแต่ตามเป็นจริงมันเป็นเราอยู่ตอนนี้ทําไงจะแก้ได้กเนี่ยจะแก้ได้คุณก็พ้นทุกข์การนั้นแหละจะไปพ้นทุกข์ที่วัดที่วาที่ไหนจะมีพ้นทุกข์ที่ใจนีน่นั่งดูใจน่ี่เห็นไหยนั่งดูจิตคือทาตุรู้ที่มันกําลังหลงหลงยึดะหลงยึดรูปขันนี่ ว่าเป็นมันเนี่ยเป็นของของมันเนี่ยนะจะเป็นมันนะถ้าเป็นเล่าเป็นของของเล่าอะาเป็นไงเป็นเราก็สั่งได้สั่งได้ที่ไหนเด้อจะเป็นแบบนั้นหนังสือพิจารณาธรรมนี่ที่ท่านปฏิบัติ เพื่อที่จะหวังมากหวังผลแต่เราก็ตามกําลังของเราในแหละเรายังต้องเึ็นคราวาต้องทำมาหากินอแต่สิ่งที่จะแต่ต้องได้มันจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยสติเข้มแข็งขึ้นเรื่อยจิตมีกำลังกระบวนการวิเคราะห์มันจะมีคุณภาพขึ้นเรื่อยอมันก็จะมีทักษะที่จะอยู่ร่วมกับสังคมซับซ้อนวุ่นวายได้ดี มีทักษะที่จะยับย mm ั้งความรู้สึกเวลาถูกเล้ามัตาก็ทุบรูปหูนก็ทุบเสียงจะมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสลดความรู้สึกเกิดที่จิตเนี่ยถ้าสติเข้มแข็งอมันจะมีทักษะที่จะยับยั้งเหมือนเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่คอยควบคุมและสลายเชื้อโรคให้นะอ่าถ้าสติเข้มแข็งมันก็สติมีหน้าที่คอยควบคุมและสลายอารมณ์ให้แต่สติเข้มแข็งเมันจะสลายอารมณ์ทัน อมันเลือดขาวมีคุณภาพมันก็สลายเชื้อโรคให้เราก็อยู่ทา่ามกลางเชื้อโรคไดดีะมันก็จะเป็นแบบนี้แต่จะให้โลกนี้ไม่มีเชื้อโรคมันเป็นไปไม่ได้อืม เหมือนกันนะจะจะไม่ให้มีลูกเสียงกลิ่นรสพุทธธรรมรมมันเป็นไปไม่ได้มันมีก่อนเราเกิดเอเราเกิดมามันก็มีอา ย, อายตนะตาหูจมูกหินที่จะรองรับลูกเสียงกลิ่นรสอยู่แล้วอแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตอืมีประสาทสัมผัสตอบสนองสิ่งเรามีความรู้สึกะมันจะต้องสัมผัสรู้อืแต่ความรู้สึกไม่ใช่กิเลสความสําคัญตั้งหมายในความรู้สึกเป็นกิเลส ทำไงจะดักทันกันนี่แหละที่พรุทธเจ้าพยายามบอกสอนว่ามันเป็นเช่นนี้มันเป็นแบบนี้ออืคุณจะทํำยังไงนะทาใจนะจะไม่ให้มันเป็นแบบนี้อยากให้เป็นแบบนั้นแ่ะเรื่องเป็นปัญหาแล้วทีนี่อื้เหมือนงินไม่อยากให้ตะวันขึ้นไม่อยากให้ตะวันตกดินอืมันเป็นปัญหาของคุณเลยทีนี้เพราะมันเป็นก่อนคุณเกิดต่อให้คุณตายไปมันก็จะเป็นแบบนี้ อ่าคนดีคนเร็วสิ่งดีสิ่งเร็วเป็นแบบนี้อยู่แล้วอืมไม่มีที่ไหนอ่ะที่จะได้ดังใจเราหมดไม่มีที่ไหนที่จะเสมอภาคกันหมดอืมมนี่มีอืมมันจะเป็นแบบนี้ภายใต้กฎแห่งกรรมอืมกรรมมุนาวตัตติโลกโกสัรโลกย่อมเป็นไปตามกรรมอืมกรรมโอเคนะเอา้าใครมีอะไร ท่านใดมีอะไรจะถามพระอาจารย์นะครับ้าถามได้นะครับในการใช้ชีวิตในการทำงา น, นก็ไม่มีก็ดีจะชอบฟังอย่างเดียวเนี่ยนะเออก็ดีเนาะเอออืม อภิธานเนนที้นี่นี่เป็นไงมึงค ร, ครับก็แต่ถาม<ำ>พระอาจารย์นะครับว่าอคือที่พระอาจารย์บอกว่าละโลกกฎหลงนะครับการการยื้อกับความไม่ให้หลงบางทีอาจจะในขณะนั้นเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่ า, า จ, จะหลงหรือเปล่านะครับว่าหลงอยู่แล้วไม่หลงก็ไม่มาเกิดแลหละเรามาเกิดเพราะความหลงอยู่แล้ว <c oughs> ที่นี้เราก็พยายามที่จะแก้หลง น, นั้นเอง หลงอะไรหลงยึดหลงถือถ really like ืออะไรก็หลงโกรธนีหลงรักน่ะหลงชังน่ะหลงโลภไม่รู้เท่าทันดำเป็นจริงยืดมันเป็นจริงเป็นชังนี่ถึงว่าพยายามจะให้แก้แก้แบบไหนก็ให้อยู่กำลังให้ได้ก่อนแหละถึงทเพราะคุณไม่รู้อยากเส้นตรงนะคุณจะรู้ไหมว่านี่คือเส้นหยักนี่คือเส้นโค้งคุณยังแยกไม่ออกน่ะไปจะเป็นแบบนั้น เนี่ยท่านดึงบอกน้ำขุนเป็นโคลนนะเราแยกได้ไหมในน้ำในโคลนอือพระพุทธเจ้าจะดึงเอาลองเอาลองเอาลองเอาสารส้มไปควนน้ำือสิแก่งน้ำือสิอแก่งไปเรื่อยถึงการถึงเวลาเดี๋ยวตะกอนโคลนมันก็จะล่วงลงไปเรื่อยเนะเมื่อถึงที่สุดก็จะเห็นชาติว่าน้ำใสอยู่ข้างบนโคลนอยู่ข้างล่างแยกได้ระหว่างน้ำกับโคลนนะแล้วค่อยแยกโคลนแล้วหันมาแยก H2O คือน้ำนะ นี่เหมือนกันเรายังไม่รู้ว่นไหนคือสิ่งรู้ไหนคือผู้รู้เราถึงให้อุิทโธมากวนอารมณนะ์เพื่อให้ตะกณ์ความคิดมันล่วงลงไปเมืนะ่อถึงที่สุดตะกอนความคิดล่วงลงไปเราก็จะเห็นนะนะผู้รู้กับสิ่งรู้ แต่ก่อนความคิดมันจะคิดเรื่องอะไรถ้าไม่คิดเรื่องรูปมันจะติด อ, อะไรถ้าไม่ติดเรื่องรูปเลยนั่นอุกขะหานิมิตมนเ้ีอเกิดถึงจะเห็นชัดท่านถึงทำปฏิภาคนิมิต ท, ที่จะสลายมั น, นผมคนเล็บฟันหนังแต่ปลอยมัย่อืมเข้าใจในเรื่องธาตุขันแล้วค่อยขันมาแยกนว่าขันสี่เป็นอย่างนั้น แบบนี้แต่ตอนนี้มีรู้หรอกถึงว่าพุทโธไปชื่อแต่พิจารณากับเพื่อให้จิตสลดสังเวชไม่หลงไปกับกระแสโลกมากเพื่อที่จะได้มีแรงจูงใจอยู่กับคําบริกรรมให้มากนะพยายามไม่มากกับเพื่อที่จะสงบให้ได้แต่ใดที่มันไม่สงบมันไม่มีกําลังหรอกมันยังแยกไม่ได้หรอกอืม แยกไม่ได้เพราะมันกระปุุงไปตามสัญญาเฉยๆหังคานกระปุุงไปเฉยๆนี่ยมันยังไม่ได้เห็นชัดก็ะึั้บอกให้นั่ง น, น, นานๆหมายถึงว่าถ้าจะเอาให้มันเป็นมรรคเป็นผลแต่ถ้าเอาเป็นแค่สะสมบุญบารมีไปพรอได้มีกระแสบุญมีทักษะที่จะยับยั้งชั่งใจเอกับโลกกับสังคมซับซอ้อนเลยก็เอาตามพวกเราที่ทำํำก็โอเคแล้วเพราะอีกหลายล้านชีวิตในดาวเครอะหดวงนี้เออ่ ไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติกี่กลับกี่กันเขาจะมาหยุดจิดนี้ของเราที่รู้จากทานศีลภาวนานะจะเว้นแบบนั้นเรามีโอ ก, กาสบุญเก่าเยอะถ้าไม่มีบุญเก่ามันไม่มีแรงจูงใจหรอกที่จะมาใช่บาตร ท, ทาบุญนั่งภาวนาอย่างเงี้ยงานก็ยุ่งอยู่แล้วอเวลาพักเที่ยงแทนที่จะได้พักได้สบาย อืมหมดเตรียมที่จะต้องมานั่งฟังทมภาวนากันอีกถ้าไม่มีนิสัยเดิมมันไม่มีแรงจูงใจหรอกบารมีคือทำสิ่งที่มันไม่มีให้มีขึ้นแต่พวกเราทำมาแล้วเนี่ยอา น, นิสงส์ของการภาวนาทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดในที่นี้หมายถึง eq e ไม่ได้หมายถึง iq พระเจ้าสแสวงหากุศลคือความฉลาดในความรู้สึกอืมฉลาดอืม รู้จักอะไรควรไม่ควรอ่าแล้วเลือกทําสิ่งที่ควรผลแห่งการทําสิ่งที่ควรสะท้อนความรู้สึกปีติสุขเกิดขึ้นในใจสภาวะนั้นเรียกว่าบุญผลิตบุญเองได้อืมไม่ต้องไปหาหมอดูอืมไม่ต้องไปหาพระวัดนู่นวัดนี้เนีะะเ่ยอืมเกี่ยวกับอยแบบนั้นไปปีติกลับมาไม่เกินสามวันแล้วเริ่มเครียดอีกอืมผลิตเองไม่เป็น ก็ <laughs> เหมือนกันบ้านไม่มีครัวหิวก็ไปร้านอาหาร อ, อพออิม่มเราเหมือนจะไม่หิวพอกลับมาบ้านก็ยัน้อยหิวก็เดี๋ยวก็ไปร้านอาหารใหม่มมมอืก็่าเว้นแบบนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าภาวนาเป็นก็เหมือนบ้านมีครัวหิวก็ทําที่ครัวบ้านเราเนี่ยเป็ น, เ, ปนเคเบิลนี่กุศลเมแสวงหาทำไปบ่อยเข้าเนี่ยพราะเรามาอยู่จุดนี้แรกแต่นี่เราเป็นผลจากกุศล ความฉลาดแต่เดิมนิจอันนิสงของการภาวนาทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดหมายถึง EQ ไม่ได้หมายถึง IQ mm hmm. แต่ IQ เยอะๆ EQ จะพัฒนาตามยากเพราะมันติดอีโก้อีโก้ยึดไว้นานๆกับอีเดียดเราไม่เห็นลูก IQ เนี่เยอะๆนกวุ่นวายบ้านเมืองประเทศไทยเนี่วิร์กที่สุดในดาวเคราะดวงนี้ทางภูมิศาสตร์ไม่ยังวุ่นวาย อืมเพราะอะไรอะเพราะอคิมันเยอะกว่าอคิวเ็ยเนแบบนั้นพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมอืมอแทนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมุมมองของตัวเองความคิดของตัวเองอย่างเชเจ้าชายจีซศาสตร์เปลี่ยนโครงสร้างมุมมองตัวเองความคิดตัวเองถึงเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอื ม, อมถึงมีศักยภาพในตัวเองถึงมีมูลค่าใหม่ขึ้นมา ม่เป็นแบบนั้นจะเปลี่ยนได้ไร <c oughs> เพราะมีสิ่งดีสิ่งดีจึงมีแต่เป็นเด็กเป็นนักศึกษามันอยู่ในฐานะอะไรที่จะต้องเรียนรู้ไม่ใช่ลื่นนะก็ใฝ่ควา้าหาความรู้ถ้ามีความรู้ก็จะมีศักยภาพในตัวเองมีศักยภาพในตัวเองมันก็จะบ่งบอกสานภาพทางสังคมบ่งชี้ฐานะทางครอบครัวของตัวเองในอนาคต เพมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีจากอืมอการกระทําของเราเองอมไม่ใช่ดิน้นไปเรียกร้องเอาความสําคัญนเพชรมันไม่ได้ดิ้นหาคนหรอกอที่มันมีค่าคือมันไม่งอคนคนมีงอมันอืมแล้วมันไม่ได้มีค่าเพราะว่ามันอยู่ในมือเศษฐีหรืออยู่ในหูอยู่ในคอเศรษฐี่ลายชินีมันมีค่าในตัวมันอยู่แล้วอืมถอดทิ้งเดี๋ยวนี้มันก็ยังจะมีค่าอยู่ มันสร้างค่าให้ตัวเองแบบไหนน่ะก็ต้องดูสิอ่เป็นแบบนั้นโอเคป่ะนี่อือีที่ท่านอาจารย์บอยว่าถ้าเมตตามากเกินไปก็เป็นทุกข์ใช่ขอบเขตมันจะประมาณไหนครับอาจารย์เพราะว่าบางทีเขาบอกว่าคนดีทอแท้อะไรเงี้ยครับก็ดูสิผู้ไดเจ้าโปรดสัตว์ได้หมดไหมหรอเพราะองค์แทบไม่อยากสอน ก็จะต้องแบ่งเบญเนยสัตว์สัตว์ที่พอจะโปรดได้โปรดโปร ด, ดไม่ได้รู้เบะขาวางเฉยจะสอนไห้ใครกล่าวเ็นจงังฆาปดิดได้ไหมหรอจะเหมือนพวกปรสิตะมันก็เรียกร้องหาแต่สิทธิ์แต่มันไม่รู้จักหน้าที่ของมันหรอกอืมพญาติตัวตืดกล่าวเ็นจงังฆาปดิดเป็นไหมหรอ <laughs> มันรู้ไหมว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่มันอ ม, มันยังทําลายที่อยู่ของมันด้วยไม่ใช่รู้ท้องเรานะ <c oughs> พวกปรสิตแล้วเราเป็นสัตว์ชั้นสูงคิดซับซ้อนได้ไม่เท่ามันก็นกนอ้้ก็็น่าสงสารเนัน่ยนะจะไ่โทษมันไม่ได้มันเป็นสัตว์ชั้นตำ่ำนี่ย่าเป็นอะไรกันตะเคียนนี่ถ้าเรียกร้องหาอาศิดก็กคือพวกปรสิตแอืม แต่สัตว์ชั้นสูงจะต้องรู้หน้าที่ของตัวเองด้วยสิทธิ์กับหน้าที่จะต้องไปได้วยกันอนั่นก็ลองตั้งบริษัทตัวเองกัได้โรงงานตัวเองก็ได้แล้วก็ให้ทุกคนเท่ากันหมดออะืมแล้วมัจะทํางานยังไงทีนี้แล้วรรลพลังงานมีเท่าไหร่แล้วซีอมีเท่าไหร่เท่าเสียงส่วนมากซีอก็ไม่มีความหมายที หัวซีโอจะมาปรักปป็นมาเลิกจ้างคนงานได้ยังไงจะมาไล่นคนงานออกได้ยังไงอย่างนี้ไม่จะเป็นแบบนั้น อ, อไม่รู้จกเคารพกฎกติกามันก็คงไม่ใช่มันเล่นฮีโลมันก็ยังมีกฎกติกาอยู่ <c oughs> มิงะนั้นเขาก็ไม่เล่นด้วยอ <c oughs> มารายาททางสังคมก็จะเป็นแบบนั้นเแนบบี่ยอืม จะต้องเข้าใจเป็นแบบนี้มันเป็นเช่นนี้ถ้าคุยได้ก็ ค, คุยค่ยคุยไม่ได้บอกสอนไม่ได้กูเบีข้าวางเฉยอ่ะเมตตาเกิน็อบเขก็เป็นอย่างทุกไปกับทะเลาะ ก, กันนะอืมดูบรรยากาศไม่น่าลงทุนเ็่ยชะลอการลงทุนก่อนบางทีก็ล้มเลิกโปรเจกต์ด้วยอืมก็จะเป็นแบบนั้น อืมบังทีก็ไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายอืมไม่จําเป็นต้องอธิบายเหตุผลของคนที่ใช้อารมณ์เขาไม่ฟังเลยคุยทาไมน่ะจะเป็นแบบนั้นอืมไม่ร้พระองค์เจ้ายังทำไม่ได้พระองค์เจ้าจะปรดคนอินเดียไม่ได้หมดแต่อยู่ในวิสัยที่จะบอกสอนได้อยู่ไกลแค่ไหนพระองค์ก็ตามไปโปลดน่ะดูที่อ่าจากต้นโพแล้วพระองค์จาริกไปทั่วไหนเพื่อประกาศศาสนา ไปเผยแพ่คำสอนของพ่อองค์ด้วยพระเมตตาไม่ได้รับจ้างพูดเลยน้ำบากนันแะแต่นี่เรานั่งห้องแอร์ก็ยังลำบากพุทธเจ้าใต้ต้นไม้ไม่มีเลยหรือเลยบยุงนิรยสัตว์เลยคันอยู่ได้ยังไงอืมเดี๋ยวเรามีแต่ข้ออ้างนั้นนะ่ะพอนังอน่งภาวนาไม่ถึงสามชั่วโมงกันอ่าในเป็นเ บ, บ็นั้นมัน เขาท่านหน่อยหลายปีแล้วตั้งมาชมรมเฝ้าๆอยังวัดเราหรือสามชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นหลักอืมนั่งรู้ตัวเองไม่สงบไปช่างอย่างน้อยก็ให้เห็นตัวเองตัวเองคือความรู้สึกมันรู้สึกแบบไหนแล้วผลิตปัยญายขึ้นมาแก้แก้ได้ก็พ้นทุกแก้ไม่ได้ก็ทุกต่อไปแต่อย่างน้อยเรายังรู้จักตัวเองอยู่ว่ายึดมัน่นสําคัญมันหมาคขานานไหน เนาะไปรู้ถึงนิพพานก็จะมีประโยชน์อะไรงานวิจัยของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่งานวิจัยของเราเนะีนะ่ยแต่ผลิตยาขึ้นมามันจะต้องเพาะเชื้อขึ้นมาเนี่ยนี่เหมือนกันเพาะเชื้อขึ้นมาเลยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงดูที่เชื้อกิเลสตัณหาอุปาทานมันมากขนาดไหนอมันวุ่นวายขนาดไหน อ่าแล้วทีนี้คุณจะใช้อ่ะอืมยาตัวไหนเลยอืที่จะไปควบคุมมันชะลายมันอืมจะเพิ่มยาต้นไหนเอ่าจะงดยาต้นไหนจะเว้นยาต้นไหนอืมปัญญาอ่ะผลิตขึ้นมาอ่ะอืมเป็งแบบนั้นพระเจ้าท่านทําแบบนี้หลวงปู่มัน่นหลวงตาบัวก็ทำแบบนี้อืมถ้าเราศรัทธาเราก็พยายามทําอ่าให้มันได้นั่นไหนึหนง ให้ให้ม <isters> ันม right? ีน okay, well ิสัยไว้อดทนไว้เนี่ยเป็นบทพิสูจน์โอเคเปลาละเป็นแบบนั้นแหละปฏีบัติทาท่านใดมีมีคำถามอะไรไหมครับช่วงนี้นะคะก็กลัวเป็นใจเลยค่ะไวรัสโควิดหน้านะคะท่านพ่อพ่อจะมีวิธีแนะนำเพราะว่าตัวเองเนี่ยค่ะ บามทีมันจะอย่างนี้ต่อไปนะคะจะใช้ที่ทำใจไงมีแต่ใจเท่า น, นั้นที่เรารักษาให้ดีที่สุดแล้วจะไม่มีเสื่อมสลายร่างกายจะดูแลดีขนาดไหนมันก็เสื่อมสลายอ่ะืมไอ ซ, ซ์ครีมออกจากตู้แช่แล้วเนี่ยจะพยายามรักษาให้คงรูปเป็นไปได้ยากอ่ะอืมเราเกิดมาแล้วจะไม่ให้เสื่อมสลายเนี่ยโอ้ อืมอืมตายอยู่แล้วแหละแต่จะตายแบบไหนอีกเรื่องหนึ่ง อ, อ่ะอืมเออเออจิตไม่เคยตายอ่ะเออความรู้สึกเป็นตัวไปปัจจุบันจะเป็นตัวบ่งชี้อนาคตอ่ละล้วทำไงสีนี้เราใจจะไปอยู่กับปัจจุบันอ่ะอืมได้สงบอืมได้ว่างเปล่านั่นมันหมายถึงอนาคตเราอที่จะ่อยู่มิติที่ดี เกิดมาอยู่ในสถานภาพชาติชั้นวันละที่ดีหรือไม่มาเกิดเลยอ่ะยิ่งกวนกะวายยิ่งไปสู่มิติไม่ดีเกิดว่าใหม่สถานภาพที่ไม่ดีเนี่ยจิตเป็นตัวไปร่างกายไม่เผาก็ฝังนะอ่ะมันก็นจะเป็นแบบ น, นั้นจะทำใจกอโอเค罢ะ แค่แค่นั่นหละนั่งนานๆนั่งนานๆอืมีไปกลัวพระเจ้ากลัวเลยกลัวกิเลสตัณหาอุปาทานนี่อมันไม่ยิ่งกว่าโควิดเลยเพราะมันลุมเล้าเรามากี่กับกี่กันนี่เพิ่งเกิดเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอ เเจอไอ้ที่ยาวัคซีนที่เขาจะผลิตเป็เหมือนกันพอมีเชื้อปุ๊บไอ้พวกนี้กับคิดที่จะผลิตวัคซีนแก้เรานั่งดูดิดูเชื้อพิเลทในใจนี่อ่าแล้วเริ่มผลิตปัญญาขึ้นมาที่จะคอยควบคุมมันสินะ้นอ่ะถ้าแก้ได้คุณก็พ้นทุกข์แก้ไม่ได้ก็เป็นแบบนี้นะสว่าดิวิโตอืมเออ จริงๆนี่สงการตายมากกว่าโควิดนั่นน่ะแต่ก็มีนะเาคราอคก็ไม่ออกปาม่มีอะไรมมันก็มีธรรมะจัดสันไงเอาโควิดมาเคลียร์พื้นที่ใช่ <laughs> เขามีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมี <laughs> มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น ย, ยังมีสิ่งเลวร้ายที่มาคอนโทรลไอ้ตัวเลวร้ายอีก <laughs> ก็ยังเงียบมังม่งหมงมาไม่กลัวออก็จะเป็นแบบนั้นแต่เราก็คิดคิดไายในแง่ที่ไปวางอย่าไปยึดติดมากยังไงก็ตายแต่จิตไม่เคยตายรักษาไว้เป็นปกติ อืมมันก็จะเป็นแบบนั้นอืมอดทนไว้นั่งนานๆอย่นางเนี้ยอืมเนียสร้างกําลังสติให้มันเข้มแข็งจิตมีกําลังกระบวนการคิดวิเคราะห์จะได้มีคุณภาพถ้าถึงคราวที่มันจะนั่นไปกอืมก็ช่างมันยังไงก็ตายอยู่แล้วแต่จะตายแบบไหนก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ตายแบบไหนไม่สําคัญอืมตายแล้วไปไหนนะ่ะประเด็นนั้นอืมก็ต้องหันมาดูเพราะปัจจุบันจะเป็นตัวบ่งชี้อนาคต อืมโอเคไหมเรื่องใครมีคําถามไหมครับเรื่องปฏิบัติก็ได้ครับหลายท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติมานะครับก็อาจมาหลายที่หลายสํานักวิธีก็จะมีความแตกต่างมีความคิดที่ต่างกันอะไรเงี้ยครับมันก็มีมันก็ถ้าเป็นพุทธความสําคัญลัทธิหมายลดละความสําคัญลัทนินหมายก็ถูกหมด อืมแต่ถ้านน่งยิ่งปฏิบัติยิ่งยึดติดนะไม่ใช่อ่ะพรธเจ้าไม่ได้สอนให้ยึดติดมืนมีแต่สลายไปเรื่อยสลายไปเรื่อยจากหยาบไปสู่ละเอียดถึงที่สุดก็ไม่มีอะไรอืมถ้ายังมีอะไรอืมก็ันก็กมีปัญหาของสิ่งเดียวไม่มีค่าสัมปสินอืมอมันก็จะเป็นอิสระอืมแต่สองสิ่งขึ้นมาแล้วเริ่มมีปัญหาละ คือตอ ง, งรักษาเนี่ยความรู้สึกของตัวเองเนี่ยตายกระทบลูปผู้กระทบเสียงเจอคนแบบนั้นเขาทำแบบนั้นก็ททำแบบน้นเออทาไงได้ไม่อยู่ในวิสัยบอกสอนก็ยอย่าไปละเมิดเรื่องของใครของมันไม่ได้ตกนรกแทนอืมอย่าเวีย น, นแบบนั้นถ <c oughs> ้าช่วยได้ก็ช่วย เขาช่วยไม่ได้ดกขเบียขาแต่ไม่มีหน้าที่ไปเหยียบย่ําซ้ําเติมตามมาดใข่เพราะไม่รู้เราจะพลาดเมื่อไหร่เราก็ไม่ใช่พระรหันชอบไม่เราคนเหยียบย่ําซ้ําเติมกันนั่นแหะกันคอนโทรความรู้สึกมันก็จะอยู่ในโลกได้เนียนแบบผู้มีธรรมค่อมีความพอดีอยู่อืมแต่ผู้ภาวนาเป็นคือมีจิตที่จเจริญอจะมองไม่ใช่เอาแต่ตะกะนั่นผิดนั่นถูกนั่นผิดศีลขอ้อนุนข้อนี่อืมันรู้อันผิดศีลเนี่ย แต่ก็อย่าไปทำอืมแต่ไม่มีหน้าที่ไปดูถูกเกียดยามต้องอืมไม่อยู่ในวิสัยบอกสอนก็อย่าไปละเมิดอืมเอาไว้เป็นบทเรียนอย่าไปทำอมนภาวนาตลอดนะั่นอืมปฏิบัติทำตลอดนันรักษาศีลตลอดในความรู้สึกการคอนโทรนความรู้สึกนั่นแหละอ่าไดกระทบรูกเกิดความรู้สึกหูงกระทบเสียงเกิดความรู้สึกอืมอ่าเขามาดูความรู้สึก อืมโอปัญญายุโกเอหิปสิโกท่านจงมาดูธรรมเถิดที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรเป็นธรรมความรู้สึกเนี๋ยวนี้เขความรู้สึกดีเขาควารู้สึกไม่ดีเขามาดูสิเอาคําสอนมาพระพุทธเจ้ามาเคลียดูสิทีนี้พระพุทธเจ้าว่ายังไงละทีนี้อท่านว่าทุกสรรพสิ่งไม่เที่ยงนั้นแหะไม่ว่าดีรือเร็วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนั่นแหะคุณยึดทุกนั่นแหละนะจะเป็นแบบนั้นแล้วในลมภาวนาเนี่ะอยพยายามคอนโทรลนี่พอดี อืมพอดีมันก็มีทุกข์อืมรักษาอืมรักษาความเป็นปกติไว้อืมอืมถ้าลบมากอืมอ่มันก็จะมีปัญหาบวกมากมันก็จะมีปัญหาอ่าถ้ามันพอดีมันก็ไม่มีปัญหานั่นมันพอดีความรู้สึกปกติอืมถ้าลบมากกับชังมากละบวกมากกับรักมากละนั่น ลบมากมันก็เป็นธาตุใหม่แล้วบวกมากก็เป็นธาตุใหม่แล้วถ้าจะรักษาสาารภาพในสติตารางธาตุให้ ม, มีให้มีสถตยาสารภาพเดิ่องมมันก็พยายามที่จะคนทคุลให้มันพอดีรู้อยากให้รู้อยากรับอืมรอ่างนให้มันพอดีแต่ถ้ามันมากไปมันไม่พอดีนั่นเปลีนะ่ยนนั้นนั่นความรู้สึกเปลี่ยนแล้ ว, นะ ว, มลลวนะไม่รักมากก็ชังมาก แคนั้นแหละไม่ใช่ไปเดินบื้ออยู่วัดเฉยๆอือไปเก็บกฎอยู่ตามวัดตามวาสามวันเจ็ดวันก็นมาฟานงวงฟานงานอยู่ที่ทำงานที่บ้านที่นั่นอยู่วัดกระแถวลงควรวิแตะได้มนเลย <c oughs> <c oughs> แต่ใครมีประสบการณ์ก็ลองดูสิมันคิดว่าโต๊ะเตียงอะไรนั้นไม่มีวิญญาณไปดูถึงไปแตะสิเดี๋ยววิญญาณก็จักมาแล้ยนะอืมีเห็นหลายวัดเลยลองพิสูจน์รู้เลยว่าโต๊ะไม่มีวิญญาณเก้าอี้ไม่มีวิญญาณเอาของไปวางโต๊ะเลยมาแล้ววิญญาณ ใครมีประสบการณ์มันจากเลยนี่นไปหยิบถาดเขาหยิบจานก็ไม่ได้แวะมากินจานมันหรือมันไม่มีปิญญานั่นเราซึ่งบอกเลยทำใจให้ดีนะปฏิบัติทมเออกูจะต้องมองคนอื่นในมุมที่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือไหมมีอะไรที่จะช่วยได้มัง่งเพื่อเฟือ้อเป็นบุญเป็นกุศลเออ มันก็จะเป็นแบบนั้นไม่ใช่ไปคอยจับผิดกันอืม อ, มอม่จับผิดอแล้วก็ตัวเองก็เศร้าหมองเองเนี้ยแล้วก็ว่าไปปฏิบัติธรรมอม่เลยรูปแบบชุดขาวเดินบือ้อนั่งบือ้อเหมือนนกกระยางอยู่กลางทุ่งหากินเขียดอยู่จะไม่รู้าาอับบากอ่ะเดกั น, นไปทะเลาะ ก, กันอยู่นั่น เ, นเรารู้ ปฏิบัติทำปฏิบัติให้มันเป็นถ้าเข้าใจปฏิบัติได้ทุกที่ที่บ้านก็นได้ที่ทํางานก็นได้คอยคอนโทรลความรู้สึกนี่มองคนอื่นเหมนกันนะมันเป็นแบบนี้คนมีที่เหลือทั้งวันเถอะไปอยู่ในวิสัยบอกสอนก็อย่าไปละเมิดบางทีถูกละเมิดก็พยายามที่จะน่ยสติมกักยับยั้งความรู้สึกไว้เอาคําสอนพระเจ้ามาเคลียเนี่ยเห็นไหมนะมันวุ่นวาย ไม่ชอบขี้หน้าก็ะทําทำยังไงถ้าเชื่อพูุทธเจ้าไม่ได้เกิดเจอมันแล้วนี่รั้นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วไงไงก็คอนโทรลความรู้สึกตัวเองไงก็อย่าเป็นแบบนั้นเออเราเวลาเราโกรธเราจะใช้หลักคำข้อใดไปแก้เอาหลักเมตตาสิเอาไปตอบข้อสอบได้ออ่องนี่มามาสำนักงานเห็นหน้ายังม่ฉันที่คุยเลยเด เลือดลมผิดปกติแล้วเสียงกระทบหูนี่โดยสัญญาจำได้ในเสียงใครนี่แล้วก็ปุุงต่อแล้วนะแล้วก็สวยเวทนาเองแล้วนี่เอีเขาพูดค่อยกันางี่ะฟังอึดอัดเหมือนกันนะรอสวนพูดดังกับลำคานกูปิสก็จะเป็นแบบนี้จิตก็คอยเฝ้าดูนี่แหละนั่นเราเข้าวัดน่ะ อมคําสอนพระเจ้ญญามาเคลียรเรื่อยๆเป็นความรู้สึกแบบนี้ดีใจเสียใจสุขใจทุกข์ใจเนี่ยเป็นแค่ความรู้สึกนะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอืมคนตายไม่ทุกข์นะตาไม่ได้ทุกข์กับลูกหูไม่ได้ทุกข์กับเสียงจมูกไม่ได้ทุกข์กับกลิ่นน้ะเนี่ยตัวไหนเป็นตัวทุกข์หรืตัวไหนเป็นตัวดิดดิ้นอยู่นี่เข้ามาดูตัวนั้นสอนตัวนั้นสอนก็เอาคําสอนพรนะเจ้าน่ะมาเคลียมันสอนมันคอนโทรลเลยพอดีนะ อ่รักษาศีลศีลเนี่ย้วยหลักการคือข้อห้ามโดยสภาวะนะแต่ว่าปกติอืมเนี่ยเป็นปกติะตัวศีลจริงๆคือตัวเรานี่รักษาเราเนี่ยอย่าไปละเมิดผู้อื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนถ้าเราไม่ได้ไปละเมอดใครไม่เบียดได้ไปเบียดเบียนใครเราก็ไม่มีสัญชาตญาณเราแหวงว่าใครจะเบียดเบียนเราจิตเราก็เลยเป็นปกติอยู่เย็นอยู่อะนรักษาสภาวะนั้นแหละรักษาศีล ไม่เชี่ยวเที่ยวไปมายังพันเตไม่รู้จะไปวัดไหนก็ขอเลยเอาไปมาพักก็เลยไม่มีศีลโยมมาไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ชอบอีกป้าวัดนั้นไม่มีศีลรูจะให้ทำยังไงแต่ละวันก็มายังพันเตมายังพันเต <c oughs> <c oughs> หมดไปแล้วท่านบอกเฉยๆหลักปฏิบัติโดยบริบทไม่ให้ละเมิดกัน ตัวเสียงจริงๆคก็ตัวพวกเราแต่ละคนเราคนรักษาไว้อย่าไปละเมิดผู้อื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนนันเราไม่ได้ละเมิดเบียดเบียนใครเราก็ไม่มีสัญชาตญาณละแวงว่าใครจะเบียดเบียนเราจิตเราก็เลยเป็นปกติอยู่เย็นอยู่รักษาสภาวะันนั้นเราไว้อย่าให้มันอิจฉาลิสยอากาตพยาบาทจองเวรโลภโมโซสันคอยเฝ้าดูอืมคอยเอาออกรักษาศียจิตก็จะเป็นปกติอยู่เย็นอยู่นั่นเป็นแบบนั้น ทีนี้จะต่อยอดเรื่องภาวนามาันก็ง่ายหายใจก็พูดหายอยากทมันก็ง่าย ไม่ใช่ไปทะเลาะกันมาแล้วมันนั่งพุดโธฝันเสียพฤติกรรมชาววันของมนุษย์ย่อมเห็นแก่ตัวอ่าจะทําอะไรจะต้องหาเหตุผลรองแล้วพฤติกรรมตัวเองไปทะเลาะกันมาจะมานั่งพุดโธให้สงบมันไม่สงบหรอกมันก็มานั่งคุ้นคิดที่กูไปด่ามันเพราะอย่างนั้นมันมันไม่ถูกมันนี่นี่เลยแล้วก็หาแนวร่วมพอได้แนวร่วมแล้วก็ปิดถนน งั้นก็จะเป็นแบบนั้นแหละลกิเลสโลกกิเลสจะไปไหนนอแต่ทีนี้โลกของธรรมเป็นยังไงหรือต้องลดละปล่อยวางลดละปล่อยวางเอราโกรธรุนนั้นนี่เราเราอยู่ไหนทีนี้หันมาน้อมดูไหนเล่าอย่างเงี้ยผมคนเล็บฟันหนังตับปลอดน้ําใจนี่หรือเราคนใจทําไมไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยอืมเอาไปฟังไว้แล้วกันแล้วไม่เห็นเดือดร้อนอมไม่อยากคือไม่เห็นเรียกไปเปลี่ยนสายชาล่ะ อยู่ป่าชานี่นานแล้วอยากเปลี่ยนมั่ง <c oughs> อ็ไม่เห็นเปลนก็นนอยู่ก็มันได้อมืมีแต่คนเป็นนั้นนหละอยู่นี่เนินเราจะเบื่อต <c oughs> จนในเบือ่อที่การหันเข้ามาดูเรื่อยๆนั่นแหละเข้าวัดตลอดอืเข้าวัดอโอเคพวกนี้แค่น <c oughs> <c oughs> ั้นแหละยังยัรรงกรณีที่เขาฝากของมาใส่บา แล้วถ้าเกิดลองเกิเอามาไม่ทันใช่ไหมการมันจะมีผลกับเจตนาเป็นตัวกรรมถ้าตั้งใจจะให้ช้าเดี๋ยวมือให้ไม่ทันแล้วกูกปให้ไอ่นั่นก็คงจะเป็นกรรมแต่ไม่ทันจริงๆก็มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไงเจตนาเป็นตัวกรรมคือคือ เราเป็นพยานเร า, เราอ่ะเรารีบแล้วแต่มันไม่ทันกระสุดวิสัยไม่มีปัญหาแต่กูจะไปให้ช้าเนอะใช่อยู่ที่เราอยู่ที่เราเราจะทำอะไรไม่มีใครรู้เท่าเราเจตนานั่นแหละอืมเจตนานั่นแหละพรอยากพาากอเราทำมันเสร็จในสัปดาห์เพื่อรู้ว่าคนที่เราจักแล้วเป็นมั่นง ก็แบกว่าจะทำได้ไหมอ่าก็ก็เป็นสิทธส่วนบุคคลคือคือคือเราก็เจตนาดีแล้วแหละบอกบุญเขาแต่เขาจะรับไมแล้วก็เป็นสิทธส่วนบุคคลก็ไม่ต้องเป็นระเมือะไม่ไม่ต้องไปยัดเยียดบุญอะ อืมคือมีหน้าที่บอกแค่นั้นแะอนุอนมโมทนาด้วยกันนะแต่เขาไม่รับได้ไหมก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นั้นแหละโอ้ยังอยู่ต่อให้ให้มันก็ยังอยู่ออย่าง ก, กัก็เหมือนเราไฟอยู่ในจุดจุดไฟเทียนเนี่ยนะคนมาขอจุดด้วยอย่างนี้เนะี่ยอ่มันก็เกิดแสงขึ้นมาอีก ของเราก็ยังอยู่สิ่งที่ยังมากขึ้นคืออานิสง์ล่ะคือพลังงานของแสง น, นั่นแหละอานิสง์กับคืออายอุที่เราจะสะวยสุขมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นแบบนั้นจะเป็นเศรษฐีกับเป็นเศรษฐีหลายชาติหน่ยอยเออตตอนนี้เรากำลังสวยผลจากอดีต ล้าอยากรู้ว่าชาติหน้าพบหน้าเราจะไปไหนดูพฤติกรรมของเราในปัจจุบันเรากำลังสร้างเหตุของอนาคตตอนนี้เรากำลังเสวยผลจากอดีตสถานภาพบ่งบอกว่าเราทำอะไรมาเรากำลังเสวยผลจากอดีตพร้อมกันนี้กำลังสร้างเหตุของอนาคตเรามีอยู่มีกินก็ทานมาเราไม่พิการบ้าบใบเสียจริตก็รักษาศีลมา แล้วเช็คดูซิดินีนเราคิดที่จะทําทบุญภาวนาต่อเนื่องไหมถ้าเรามีแรงจูงใจที่จะทำเหมือนทุกวันนี้ก็แสดงว่าเราภาวนามาแต่ยังไม่ทําให้หลวงพ่หลงชาติรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและอยากจะทําบุญเรื่อยๆเนี่ยเป็นอานิสงส์ของการภาวนาทําไม่มีสติปัญญาเฉลียวเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดในที่นี้หมายถึง EQ ไม่ได้หมายถึง IQ พระเจ้าแสดงหากู่สนคือความฉลาด ๋ย่ถึงวอกนะแล้วเลือกทำในสิ่งที่ควรรู้จักอะไรควรไม่ควรเลือกทำในสิ่งที่ควรผลอย่างการทำสิ่งที่ควรสะท้อนความรู้สึกปีติสุขเกิดขึ้นในใจสภาวะนั้นเรียกว่าบุญสามารถผลิตบุญให้ตัวเองได้ตลอดอืมไม่ต้องไปหาที่ไหนอืมพระเจ้า ก, ก็หาอยู่ใต้ต้นโพนี่แหละอืมโอเคไหมนี่อื ม, อม ถ้าเราเข้าใจเราก็จะปฏิบัติได้ทุกที่แต่ถ้ามีเวลามากาก็ไปตามวัดตามว่าบรรยากาศมันก็จะอาจจะความวุ่นวายจะน้อยกว่าที่ที่บ้านเรามันก็จะมีผลตรงนั้นแล้วเราก็ไปเรียนรู้หลักการเพื่อที่จะมาประยุกใช้กับปัจจุบันของเราทุกที่ทุกสถานกิเลสไม่ได้อยู่ในวัดอยู่ในใจเราแต่เราไปเรียนหลักการแนวทางที่จะสำรอกกิเลสเนี่ย ยากพระสงฆ์ที่ถ่ายทอดคำสอนพระเจ้ามาสู่เราในสถานที่นั้นพอเราฟังแล้วก็ประมวลหาบทสรุปมาประยุกใช้หยิบมาทั้งดุนไม่ได้เพราะบุญบารมีไม่เหมือนกันเราเอามาให้มันพอดีกับเพศภาวาสถานและการลเทศาก็จะเป็นแบบนั้นเลยทุกที่ระวังใจนั่นแหละรักษาใจนั่นแหละ <c oughs> ใจไม่ใช่หัวใจทางกายภาพ เออเป็นไปนเป็นท่านรู้ท่านว่ารักษาใจรักษาใจรักษาความเป็นกลางอย่าให้ไปรักไวชังน่ยอย่าให้ไปอดีตนันเราคตพยายามอยู่กลางๆไว้หน่อยเนี่ยประมาณนั้นเนี่ยโอเคนะ <c oughs> <c oughs> เอาใครมีอะไรชัก น, นู้นเลยอาจารครับในการปฏิบัติธรรมพอถึงช่วงหนึ่งถึง ต้องมีครูบาอาจารย์ไหมครับคือถึงช่วงหนึ่งยังไงต้องมีครูบาอาจารย์นะครับที่ที่จะแนะนําหรือว่าดูว่าจะไปถูกทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอ้แต่มันมีมันไม่ยากหรอกอืมอืมอขอให้มันเห็นจริงตามเป็นจริงเถอะอืม แกเห็นไหมกับของดวงตาเนี่โอ้ไปภาวนาอยู่หน่อยนึงอ่าตื่นเช้ามาโอ๊้เมื่อคืนนี่ฝันเอ้ยไม่ใช่เห็นภาวนาไปเห็นนู่นเห็นนี่โอ้ไปปไปไปไปอย่าพูดอย่าไปจบเลยไล่หนีเลยเัอะแล้วเอ่ยมาท่านก็รู้ไม่อย่าเป็นแบบนั้นขอให้มันจริงก็เถอะอืมแต่ถ้กคนอิ่มไม่จะเป็นต้องไปโอู้ยฉันอิ่มมากอิ่มมากอืมอืมมันไม่มีความจําเป็นหรอก อืมถ้าอิ่มจริงไงอืมแล้วมีคนถามก็อยบอกว่าไม่หิวว่าอิ่มอยู่อืมไม่มีอะไรกันนอนเฉยๆเลยไม่ทุกข์หรอกถ้าอิ่มอืมมันก็จะเป็นแบบนั้นอ่าอืมเพราอยู่เฉยๆก็มีความสุขอนะ่ะอืมอ่าแล้วมีเหตุที่คุยอืมก็คุยไม่มีเหตุที่คุยก็อยู่เฉยๆไม่ได้ดิน้นรน อืมมันจะเป็นแบบนั้นอะเราจับไฟนี่เราสงสัยความร้อนไหมล่ะเรากินข้าวเราสงสัยความอิ่มไหมล่ะเราหิวข้าวเราสงสัยความหิวไหมล่ะความรู้สึกของเราไม่ใช่อ้นที่จะแทนค่ากันเองออิ่มแล้วเนี่ยมีใครสงสัยความหิวความอิ่มของตัวเองอ่ ะ, ะว่ามันเป็นยังไงมันมีกำลังแบบไหน อืมีใครบอกให้เลิกกินไหมหรอกมันก็หยุดเองไม่ใช่เรื่องน่ะออถ้าจิตสงบถ้าสงบจริงเนี่ยก็เหมือนกินข้าวอิ่มแบบนั้นนะอืมถามเขามันจะสงสัยความสงบตัวเองเน่ยถ้าสงสัยกับวิติกิจฉาถ้าวิติกิจฉาก็คือไม่สงบอ่ะอันนี้บอลห้าอยู่นี่อืมเอบออยู่ในชั้นบรรยากาศก็หนีไม่พ้นแรงนุ่มถ่วงของโลกถ้าอยู่ห้วงอวกาศ นะเรื่องลุ่มถ่วของโลกก็ไม่มีผลก็เหมือนกันนะอืมจิตเดียวอารมณ์เดียว่นะมันก็มีแต่ตัวรู้นะมันจะมีรักมีชังเรื่มมันจะมีอดีตอนาคตเรื่มมันจะมีวิตจิตรศามีทัศอุทธจารกู่กุจารุฟงสร้างมันคานใจเรื่มแต่มันจิตเดียวอารมณ์เดียวคือรู้อยู่นั่นะนะคือความสงบสงบจากไหนถ้าไม่สงบจากสัญญาอารมณ์นี่จากสังขารตัวปรุงแต่งนี่จากเวทนานอกเวทนาในานี่นั่นะ อเควะเนี่ออแต่ถ้าไปวิเคราะห์โดยหนังสืออ่ะยิ่งวิเคราะห์อืมก็ยิ่งสงสัยอืมเจ้าชายทิจฉาเนะี่ยวิเคราะห์ความรู้สึกตัวเองอยู่ใต้ต้นไม้อืมอ่าท่านถึงไม่สงสัยอ่าท่านไปถามปัญจวคีหรือเปล่าหรอแตถาคตบรรลุหรื อ, อยังนี่ <c oughs> อาการเป็นแบบนี้เลย <c oughs> ต้องเป็นแบบนั้นอืม อแต่จะไปถึงขั้นที่จะถามโอ้ oh, มันอีกอันนึงอืมอืมมันคงอีกอันระดับนึงอ่าระดับนี้กับถูถ่ายกันไปนี่แหละทำให้มากจเจริญให้มากอืมคือทำไมท่านถึงนั่งนานเพราะอะไรล่ะทีนี้อพราะเพราะมันทําไมสงบยังไงก็เวทนาครอบนําในสุ ข, ขเวทนานี่ แต่ถ้ามันสงบมันจะไม่มีตัวนี้พเพราะมันไม่มีสัญญาไม่มีสัญญามันก็ไม่มีสังขารตัวปรุงแต่งไม่มีสังขารตัวปรุงแต่งมันก็ไม่มีเวทนานอกเวทนานในเนี่ยน่ะกนื่องจกไม่มีสัญญานี่ยน่ะก็จะเป็นแบบนั้นลมหายใจก็ไม่มีเพราะไม่มีสัญญาพุทโธก็ไม่มีเพราะไม่มีสัญญาจิตไม่ได้อยู่กับตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วอาการหงใจมันจะมีตัวไหนเชื่อมลูกเสียงกิ่นรดพุทธปฏธรรมอรมให้เหมือนเราโดนวางยาสลบคุณมีปัญหากับสิ่งเหลวไม่หรอกหมอผ่าตัดคุณก็ยังไม่รู้สึกไม่ใช่หรือเนี่ยเพราะคุณไม่ตอบสนองสิ่งเหลวความสงบที่เป็นสมาธิเป็นแบบนั้นต่ดต่างกันตรงที่โดนวางยามันเป็นวิสัยทีไม่มีสติสัมปชัญญะ นะแต่สมาธิเนี่ยมีสติตุนรู้อยู่ตลอดสติสามัญชัญาภาเอิ้นแต่รู้เด่นอยู่ภายในไม่ตอบสนองสิ่งเล่าเพราะจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวจิตไม่ได้อยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายและก็อาการห้องใจเลยไม่มีตัวเชื่อมรูปเสียงกลิอนรสเป็นอย่างนั้น